เสียงอ่านหนังสือแก่นพุทธศาสตร์เรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาพุทธาทธาตุอินท ป, ปัญโยหรือพุทธธาตุพิขุสรุปแก่นแท้พุทธธรรมหัวใจพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาขั้นมูลฐานเรื่องอัตตาอนัตตาสุญญาตาความว่างโรคทางวิญญาณโรคตัวกูของกูการรักษาโรคทางวิญญาณปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายปฏิบัติ แนวปฏิบัติ3แบบเพื่อถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นอ่านโดยอริยคุณจุมรงผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวอิมวงสีธีรวิทย์เอี่ยมสะอาดเสรินยาอริยะชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองครอบครัวปิติเจริญกุลครอบครัวสีโพคาวิชยาดามุวิชาร่วมกับครอบครัวทิพทานทองทวีช่างพินิษสมชายมีสิริเวทยากกรมิ่งชัยพนมรักเพชรเสถียร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 โอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี้อัตมามีความเห็นว่าควรจะได้กล่าวถึงเรื่องซึ่งเป็นใจความสำคัญเป็นหัวข้อสรุปความของหลักธรรมจะเหมาะกว่าอย่างอื่นฉะนั้นจึงได้ตั้งใจที่จะกล่าวถึงใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาโดยหวังอยู่ว่าถ้าจับใจความหรือแนวที่เป็นใจความสาคัญทั้งหมดของพุทธศาสนาได้แล้ว จะเป็นการง่ายและสะดวกอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาก้าวออกไปอย่างกว้างขวางถ้าจับใจความหรือแนวไม่ได้จะสับสนและจะรู้สึกว่ามันมากมายและจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมากมายเหลือที่จะจำจะเข้าใจหรือจะปฏิบัติอันนี้เป็นมูลเหตุของความล้มเหลวเพราะทําให้เกิดความท้อถอยและมีความสนใจที่พร่า หรือลางเลือนออกไปทุกทีในที่สุดก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับแบกเอาความรู้ตั้งมากมายเข้าไว้แล้วไม่สามารถที่จะศึกษาหรือเข้าใจหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เพื่อไม่สับสนขอให้สนใจที่จะทบทวนหรือฟังในลักษณะที่จะจับใจความสำคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ความรู้ ชนิดที่เป็นหลักมูลฐานสำหรับเข้าใจธรรมะยังถูกต้องอาตมาขอเน้นตรงที่ว่าเป็นหลักมูลฐานเพราะความรู้ชนิดที่ไม่ใช่หลักมูลฐานก็มีและเข้าใจยังไม่ถูกต้องก็มีคือมันเขวยออกไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นพุทธศาสนาใหม่ถึงกับเป็นพุทธศาสนาเนื้องอกที่งอกออกไปเรื่อยๆ ที่ว่าหลักพุทธศาสนามูลฐานนั้นหมายความว่าเป็นหลักที่มีความมุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์นี้อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอยู่ในตัวเองที่ทุกคนอาจเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นนี้อย่างหนึ่งนี่คือส่วนประกอบที่สาคัญของสิ่งที่เป็นหลักมูลฐานถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยไม่ยอมพยากรณ์อย่างปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดเกิดอย่างไรได้รับผลอย่างไรอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่มุ่งตรงไปยังเรื่องความดับทุกข์และยิ่งกว่านั้นมันยังไม่เป็นพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่อยู่ในขอบวงของพุทธศาสนา เพราะไม่ได้มุ่งหมายที่จะดับทุกนี้อย่างหนึ่งแล้วและยังมีอยู่ว่าผู้ถามนั้นก็ได้แต่จะเชื่อตามผู้พูดได้ไปเพราะว่าผู้ตอบก็ไม่อาจจะเอาอะไรมาใชให้เห็นได้ได้แต่พูดไปตามความรู้และความรู้สึกผู้ฟังก็ไม่อาจจะเห็นสิ่งนั้นได้ก็ต้องเชื่อตามผู้พูดได้ไป มันไม่เลยตเตลิดออกเป็นนอกเรื่องทีละนิดทีละนิดจนเป็นเรื่องอื่นไปไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์และอยู่ในลักษณะที่ผู้ฟังต้องเชื่อตามผู้พูดยังหลับหูหลับตาเรื่อยไปและเดินออกเป็นนอกวงของการดับทุกข์ยิ่งขึ้นทุกทีทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตั้งปัญหาอย่างนั้นจะตั้งปัญหาเรื่องว่ามีความทุกข์หรือไม่และจะดับทุกข์ได้อย่างไร นี่พระพุทธเจ้าท่านยอมตอบตอบทุกคำผู้ฟังจะเห็นจริงได้ทุกคำโดยไม่ต้องเชื่อดายไปไม่ต้องเชื่อตามผู้พู ด, พ ด, ดาดไปก็เลยยิ่งเห็นจริงขึ้นทุกทีทุกทีจนเข้าใจเนื้เรื่องนั้นได้ถ้าเข้าใจถึงขนาดดับทุกได้นั้นนั่นหมายถึงความเข้าใจที่เป็นไปถึงที่สุดจนถึงกับรู้ว่า แม้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนที่กำลังมีชีวิตอยู่คือมีความรู้ถึงขนาดที่มองเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ได้มีตัวตนหรือของตนมันเป็นแต่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่รู้สึกขึ้นมาตามความโง่ความเขลาที่ไปหลงตามสิ่งที่มาแวดล้อมปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเหล่านี้ พอมองเห็นชัดขนาดที่จะดับทุกข์ได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นก็หายไปความรู้สึกว่าตัวกูของกูเหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเกิดอยู่ที่นี่มันจึงไม่มีใครตายแล้วไปเกิดใหม่ปัญหาที่ถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เป็นปัญหาที่เคลาที่สุดและไม่เกี่ยวกันกับพุทธศาสนาเลยเพราะเหตุดังกล่าวมานี้ พุทธศาสนามุ่งหมายที่จะบอกให้รู้ว่าไม่มีคนที่เป็นตัวเราหรือของเรานั้นไม่มีมีแต่ความเข้าใจผิดของจิตที่ไม่รู้สิ่งที่มีอยู่ก็เพียงแต่ร่างกายกับจิตใจซึ่งก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติหรือเป็นธาตุตามธรรมชาติมันมีอาการเป็ น, นกลไกแมคานิซึมปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ในตัวมันเอง ถ้าผิดวิธีก็เกิดความโง่ความหลงขึ้นมาจนให้รู้สึกว่ามีตัวเรามีของเราถ้าถูกวิธีมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแต่จะเป็นสติปัญญาอยู่ตามเดิมรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตามเดิมว่าว่างจากตัวเราหรือของเราเมื่อไม่มีคนอย่างนี้ก็เป็นอันว่าในวงของพุทธศาสนานั้น ไม่มีปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรทำนองนั้นแต่มีปัญหาว่าเป็นทุกข์หรือไม่จะดับอย่างไรแล้วก็รู้จักมูลเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เสียได้และมูลเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความหลงความเข้าใจผิดว่ามีตัวเรามีของเรานั่นเอง เรื่องตัวเราเรื่องของเราเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี้คือปัญหาเพียงอันเดียวข้อเดียวและเป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาเพียงข้อเดียวเรื่องเดียวที่จะต้องสะสางให้หมดไปและจะเป็นอันว่ารู้เข้าใจและปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดโดยไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังให้ดี ที่ว่าหลักมูลฐานนั้นมีส่วนที่เป็นหลักอยู่ไม่มากมายจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านเรียกของท่านว่ามันกรรมมือเดียวมันมีเรื่องเพียงกรรมมือเดียวไม่มากมายเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งป่าซึ่งในสูตรที่มีอยู่ในสังยุตตานิายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่าเมื่อกาลังเดินกันอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าท่านกำมใบม้ที่เรียราดอยู่ขึ้นมากมมือหนึ่ง แล้วถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อยทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมาจนเปรียบกันไม่ไหวถึงแม้พวกเราที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ลองทํามโนภาพถึงของจริงในเรื่องนี้ดูให้เห็นชัดว่ามันมากยิ่งกว่ากันเสียทีก่อน พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่มันอย่างนี้คือว่าเรื่องที่ตรัสรู้แล้วรู้นั้นมันมากเท่าใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควนนำมาสอนและมาปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้กามือเดียวข้อความเรื่องนี้มีคนเอาไปเขียนเป็นนวนิยายอย่างเรื่องการมณิทคนที่เคยอ่านเรื่องการมณิทก็คงจะสังเกตเห็น เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระบาลีซึ่งเป็นเหตุให้ถือได้ว่าหลักมูลฐานที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นเทียบส่วนแล้วมันกำมือเดียวในเมื่อไปเปรียบเทียบกับของทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าทั้งดงคำว่ากำมือเดียวนี้เราก็ต้องรู้สึกได้ว่ามันเป็นของไม่มากมายหรือไม่เหลือวิสัย ไม่เกินวิสัยของคนเราจะเข้าถึงได้แล้วเราอาจเข้าใจอย่างถูกต้องได้นี่คือใจความสำคัญในวาระแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันในเมื่อทุกคนจะต้องเข้าใจหลักมูลฐานสำหรับเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธศาสนาขอให้เข้าใจคำนี้ให้ตรง หรืออย่างถูกต้องอีกเช่นเดียวกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นเมื่อตกมาถึงสมัยนี้แล้วมันพรามากคือมันกว้างขวางไม่ค่อยจะมีขอบเขตถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลก็ใช้คำอื่นคือคำว่าธรรมะหมายถึงธรรมะเฉพาะที่ดับทูก เขาไม่ได้เรียกกันว่าพุทธศาสนาอย่างที่เราเรียกยกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าธรรมะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาเรียกกันว่าธรรมะของพระสมณะโคดมถ้าธรรมะของลัตที่อื่นเช่นนิคันธนาตบุตรก็เรียกว่าธรรมะของนิคันธนาตบุตรใครชอบใจธรรมะของใครย่อมพยายามศึกษาจนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ ต, ตามแนวนั้น ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกกันว่าธรรมล้วนๆแล้วก็เป็นธรรมะล้วนจริงๆไม่มีเปลือกกระพีหรือส่วนที่มาเกี่ยวข้องทีหลังมากมายเหมือนเดียวนี้เดี๋ยวนี้เรามาเรียกสิ่งนั้นว่าพุทธศาสนาแล้วเราเผลอไปหรือจะด้วยเหตุใดก็ตามคำว่าพุทธศาสนาของเรานี้มันพรากกว้างออกไปจนถึงกับรวมเอาสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาด้วย ท่านต้องสังเกตให้ดีว่ามีพุทธศาสนาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้มีมากมายเหลือเกินแล้วเราเอามารวมเป็นอันเดียวกันเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างที่เข้าใจกันเดี๋ยวนี้ลำพังตัวพุทธศาสนาแท้ๆก็มากอยู่แล้วมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่า ส่วนที่ต้องศึกษาปฏิบัติมีเพียงกรรมมือเดียวนี้ก็เรียกว่ามากอยู่แล้วทีนี้ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาอีกเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเรื่องจิตวิทยาที่ขยายออกไปเช่นในแง่ของอภิธรรมบางส่วนก็กลายเป็นเรื่องจิตวิทยาบางส่วนก็เป็นรูปของปรชัชญาขยายออกไปออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางฝ่ายนั้น ก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนงเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามันจึงมีมากมายและถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคาว่าพุทธศาสนามันเลยทาให้มากถ้าคนไม่รู้ไม่รู้จักจับเอาใจความสำคัญมันก็เลยเหมือนกับว่าเห็นของมากแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนดีเหมือนกับเราเข้าไปในร้านขายของที่มีสรพัดอย่างจนงงไปหมด ทำนองนี้ก็เลยปล่อยไปตามความรู้สึกสามัญสำนึกนั่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตามราวส่วนมากก็ไปถูกเอาเรื่องที่ตรงกับกิเลสมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของสติปัญญาเลยกลายเป็นเรื่องทําพิธีรีตองต่างๆทําบุญพอสักแต่ว่าให้แล้วแล้วไปหรือเพื่อประกันความหวาดกลัวอะไรบางอย่างมันเลยไม่ถูกพุทธศาสนาตัวจริง เพื่อให้รู้ถูกต้องขอให้เรารู้จักแยกสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาออกไปเสียจากสิ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับพุทธศาสนาแต่เข้ามารวมในชื่อของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันแม้ในส่วนที่เป็นพุทธศาสนานั้นก็ยังต้องรู้จักแยกออกไปว่าอะไรเป็นหลักมูลฐานหรือเป็นใจความสาคัญฉะนั้นอาตมาจึงตั้งใจว่า จะกล่าวถึงเรื่องที่เป็นหลักมูลฐานอันสำคัญที่เป็นใจความสำคัญแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกงงว่าจะพูดในรูปไหนดีทีนี้ในการที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี้มันเป็นความรู้สึกที่โดนใจหรือเกิดขึ้นเองคือทำให้นึกขึ้นมาได้เองถึงลักษณะที่อัตถกถาทั้งหลายได้เรียกพระพุทธเจ้าโดยชื่อชื่อหนึ่งว่า เป็นแพทย์ทางฝ่ายวิญญาณบัด น, นี้ท่านได้ยินคำว่าแพทย์ในทางฝ่ายวิญญาณแล้วอัตมาก็จะกล่าวไปตามตัวหนังสือท่านอาจไม่เข้าใจในทันทีก็ได้จึงต้องการคำอธิบายบ้างตามความหมายของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสทำไว้บางงูและตามอัถกถาที่ต้องการจะอธิบายธรรมะมูนั้น เกิดมีหลักที่ถือกันว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สองประเภทคือโรคทางกายกับโรคทางจิตบาลีใช้คำว่าโรคทางจิตในครั้งกระนั้นแต่เดี๋ยวนี้คำว่าโรคทางจิตนี้มันมีความหมายไม่ตรงกับโรคทางจิตในสมัยอัรธกถาหรือสมัยพุทธกาลโรคทางจิตในสมัยพุทธกาลหมายถึงโรคทางความคิดเห็น หรือทางกิเลสตัณหาแต่ก็เรียกว่าโรคทางจิตใจเดี๋ยวนี้เราเอาคำว่าโรคทางจิตไปใช้กับโรคทางจิตตามธรรมดาที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายซึ่งไปปนกันอยู่กับโรคทางกายซึ่งเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจโรคทางฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงขอบัญญัติคำกันขึ้นมาใหม่เป็นสามคำว่าโรคทางกาย หรือฟิสิกอล s e ซิ e โรคทางจิตหรือ m e n t a l ดีซิสสองอย่างนี้เอาไว้ในฝ่ายโรคทางกายหมดแล้วก็มีคำว่าสเ i เรชั่ว s e ซิ e เนี่ยแหละคือโรคในทางวิญญาณซึ่งตรงกับทางจิตในสมัยพุท ธ, ธกาลคำว่า s เป r i t u a l และ Mental นี้ต่างกันไกลลิบเมนทัล หมายถึงจิตใจเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายสัมพันธ์กันกับกายถ้าหากเราเป็นโรคทางเมนเทลนี้ก็ไปโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลบ้านสมเด็จมันก็เป็นเรื่องโรคทางเมนเทลมีได้เป็นโรคทางสมือนจรินั้นคำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณพูดผีปีศาจถูกผีสิงอะไรทำนองนั้นไม่ใช่ แต่หมายถึงวิญญาณหรือจิตหรือมโนส่วนลึกที่มันเป็นโรคได้ด้วยอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาหรือมิชาทิฐิถ้าเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาหรือมิชาทิฐิก็เป็นโรคทางวิญญาณคือเห็นผิดเห็นผิดเป็นเหตุให้พูดผิดคิดผิดทำผิดแล้วก็เป็นโรคตรงที่ทาผิดคิดผิดพูดผิด ท่านจะเห็นได้ทันทีว่า Spiritual disease โรคทางวิญญาณนี้เป็นการทุกคนไม่ยกเว้นใครส่วน Physical disease Mental disease นั้นเป็นกันบางคนและเป็นบางเวลาแล้วเรื่องมันก็ไม่มากมายเสียหายใหญ่โตอะไรนักคือมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกได้เหมือนกับโรคทางวิญญาณโรคทางฟิสิกส์ หรือทาง m e n t a l ี้ไม่เกี่ยวกันกันกบพุทธศาสนาซึ่งปัญญาแก้โรคทางวิญญาณหรือไม่เกี่ยว ก, กันกับพระพุทธเจ้าที่เป็นแพทย์ในทางวิญญาณโดยตรงมันจึงเหลือแต่โรคที่อัทธกะถาเรียกว่าโรคทางจิตหรือในบัรนี้เราบัญญัติลงไปว่า spiritual d i s e s แล้วเรียกว่าโรคทางวิญญาณดีกว่า เรื่องนี้ทําไม่อาตมานึกถึงข้อที่อัฏฐกถาเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นแพทย์ทางวิญญาณก็รู้สึกต่อไปว่าถือเอาแนวนี้พูดกันรู้เรื่องง่ายกว่าโดยเหตุที่คนทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณจึงทุกคนต้องรักษาเยียวยาในทางวิญญาณนั่นแหละคือพุทธศาสนาการรมมือเดียวที่จะต้องเข้าให้ถึงคือเอามาใช้มากิน มาเยียวยารักษาโรคให้จนได้ที่ต้องสนใจต่อไปอีกก็คือว่ามนุษย์เราสมัยนี้ไม่สนใจในเรื่องโรคทางวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงเป็นโรคทางวิญญาณกันหนักขึ้นทั้งทางส่วนตัวและส่วนรวมเพราะเมื่อทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณแล้วโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นโรคทางวิญญาณไปหมด เป็นโรคที่มีโรคทางจิตทางวิญญาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการถาวรก็เข้ามาแทนที่ของสันติภาพถาวรจะปลุกปล้ำกันอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นสันติภาพแม้ชั่วขณะขึ้นมาได้อย่าพูดถึงสันติภาพถาวรที่ป่วยการเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นโรคทางวิญญาณ คือทั้งฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูกแล้วเรียกฝ่ายอื่นว่าเป็นฝ่ายผิดนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นโรคทางวิญญาณจึงมีแต่เรื่องที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตความทุกข์ขึ้นมาในโลกแล้วโรคทางวิญญาณ น, นี้จะสงบได้อย่างไรการแก้ไขมีอยู่ว่าต้องทำให้ทุกคนในโลกนี้ หยุดเป็นโรคทางวิญญาณแล้วจะมีอะไรมาแก้การแก้มันก็ต้องมียกยาที่มีไว้เฉพาะโรคนี้คือธรรมะกรมือเดียวในพระพุทธศาสนาที่จะต้องเข้าให้ถึงให้ได้นั่นแหละคือคำตอบที่ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่เป็นที่พึ่งแก่คนในโลกนี้ให้เต็มตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้ทั้งๆ ท, ที่เราถือกันว่า เดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาจเจริญแพร่หลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือมีส่วนที่เข้าใจถูกต้องกันยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงอยู่ในข้อที่ว่ามีการศึกษาพุทธศาสนามากและเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นโรคทางวิญญาณแล้วจะเอาพุทธศาสนาไปกินไปใช้ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้สึกว่าป่วย เราก็ไม่มาหาหมอเราก็ไม่กินยานี่ใครๆก็เห็นกันอยู่ทีนี้คนเราในโลกโดยมากส่วนมากก็เป็นอย่างนี้คือเป็นเรื่องเหอยาไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะในฐานะที่ปัญญาแต่ก็ไม่รู้สึกตัวว่าตนเป็นโรคไปเอามาไว้เพียงสำหรับเก็บไว้ให้โรครุงรงังหรือไว้พูดไว้เถียงกันเล่นจนกลายเป็นทะเลาะวิวาทไปก็มี นี่แหละธรรมะยังไม่เป็นที่พึ่งให้แก่โลกได้เต็มที่ก็เพราะเหตุนี้ถ้าเราจะตั้งกลุ่มพุทธบริษัทขึ้นอย่างที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ควรจะรู้ความมุ่งหมายที่แท้จริงให้กิจการนี้ดำเนินไปตรงจุดคือโดยประการที่ธรรมะนี้จะช่วยรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณได้โดยตรงและโดยเร็ว อย่าให้พราจนไม่รู้ว่าไปทางทิศไหนขอให้เป็นไปในรูปที่ว่าเป็นยาอมริศรักดิ์สิทธิ์เพียงกำ ม, มือเดียวแล้วใช้ให้มันถูกใช้ให้มันตรงมันก็จะแก้โรคได้หมดลอกการที่ตั้งกลุ่มหรือสมาคมขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้เราทาให้สาเร็จประโยชน์อย่างยิ่ง อย่าให้เป็นที่หน้าหัวเราเยอะแต่ประการใดแม้แต่นิดเดียวทีนี้ข้อที่ว่าเป็นโรคทางวิญญาณนั้นคืออย่างไรเราจะรักษากันด้วยธรรมะกรรมมือเดียวอย่างไรเราจะวินิจฉัยกันต่อไปคำว่าโรคทางวิญญาณนั้น ก็คือโรคที่มีเชื้ออยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราหรือว่าตัวกูหรือว่าของกูนั่นเองที่มีอยู่ในใจประจําอยู่ในใจเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วก็เบิกบานออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูเราก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ทําไปตามอํานาจความเห็นแก่ตัวมันจึงเป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลง ทำให้เดือดร้อนกันทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมันเป็นอยู่ภายในฉะนั้นให้เรียกกันเพื่อจําง่ายว่าโรคตัวกูของกูจะดีกว่าง่ายกว่าพวกเรามีโรคตัวกูของกูกันอยู่ทุกคนแล้วก็รับเชื้อนี้เพิ่มเติมเข้ามาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่น ลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังและคิดไปในใจตามประษาคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทธพพธรรมารมหกอย่างคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6กอย่างด้วยเหมือนกันคือว่ามีการรับเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เป็นโรคนี้ที่ปรุงแต่งให้เป็นโรคนี้อยู่ทุกคราว ที่มีการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเป็นต้นเราจะต้องรู้จักเชือ้อคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นมีสองอย่างคือยึดมั่นว่าเราและยึดมั่นว่าของเรา ยิดมั่นว่าเรานั้นคือรู้สึกว่าเราเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นรูปผู้ชายแพ้ใครไม่ได้อะไรทำนองนี้นี่เรียกว่าเราทีนี้ของเราคือว่านั่นของเรานั่นของที่เรารักที่เราชอบแม้ที่เราเกลียดก็ถือว่าเป็นศัตรูของเรานี่เรียกว่าเป็นของเรา ถ้าเรียกอย่างบาลีก็เรียกว่าอตาัตตนี้คือตัวเราอัตตานยานี้คือของเราถ้าเรียกกว้างออกไปอย่างที่ใช้เรียกในทุกแขนงของปรชาชญาในอินเดียแล้วเขาเรียกว่าอหังการนี้คือตัวเรามะมังการนี้คือของเรา อหางการแปลว่าทำความรู้สึกว่าเราเพราะคำว่าอาหางแปลว่าเราและมะมังการแปลว่าทำความรู้สึกว่าของเราเพราะคำว่ามะมะแปลว่าของเราความรู้สึกว่าเป็นอาหารการมะมังการนี้คือตัวอันตรายที่ร้ายกาจที่สุด หรือตัวสิ่งที่เป็นพิษที่ร้ายกาจที่สุดซึ่งเราเรียกว่าโรคในทางวิญญาณในที่นี้ซึ่งทุกแขนงของปรชาชญาหรือธรรมะในอินเดียครั้งพุทธกาลต้องการจะกวาดล้างสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นลทัทธิอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาก็ต้องการจะกวาดล้างสิ่งที่เรียกว่าอาหางการและ ม, ะมังการนี้ทั้งนั้นมันมาผิดการตรงที่ว่า ถ้ากวาดล้างสิ่งนี้ออกไปแล้วเขาเรียกมันใหม่ว่าตัวตนที่แท้จริงอัตมันบริสุทธิ์ที่ต้องการส่วนพุทธศาสนาเราไม่ยอมเรียกว่าตัวตนที่บริสุทธิ์หรืออัตมันที่ต้องการเราไม่ต้องการจะยึดถือตัวตนหรือของตนอะไรขึ้นมาอีกเลยจัดเป็นความว่างที่สุดที่เรียกว่านิพพานอย่างในบทที่ว่า นิพพานนางประมังสุญยังซึ่งแปลว่าว่างที่สุดนั่นแหละคือนิพพานก็แปลว่าว่างจากตัวกูว่างจากของกูโดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงไม่เหลือเยื่อใยนั่นแหละคือนิพพานหรือความหายจากโรคทางวิญญาณในเรื่องความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้มันมีความลับมาก ถ้าไม่สนใจจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ได้ว่ามันเป็นตัวการของความทุกข์หรือเป็นตัวการของโรคทางวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าอัตาหรือตัว ต, วตวนนี้มันตรงกับคำว่าอิโกในภาษาลาตินที่รู้จักกันดีถ้าความรู้สึกที่เห็นกับตัวตนเกิดขึ้นเราเรียกว่าอ e ิโกอิซึม เพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราแล้วมันก็ต้องคลอดความรู้สึกว่าของเรานี้ออกมาด้วยเป็นธรรมดาช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าตัวตนและของตนรวมกันนั้นคืออีโกอิซึมความรู้สึกที่เป็นตัวตนหรืออีโกนี้กล่าวได้ว่าเป็นของธรรมชาติธรรมดาที่ต้องมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตและยังแถมเป็นศูนย์กลางด้วย อีโก้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแปลว่าโซ so, คืออัตตาแล้วมันก็ตรงกับภาษากรีกว่าเคนทริกอนซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเซนเตอร์ Center. คำเคนทริกอนนี้ตรงกับคำว่าเซนเตอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าศูนย์กลางเมื่ออีโก้และเคนทริกอนคือสิ่งสิ่งเดียวกันแล้วโซ so, อัตตานี้ ก็เป็นสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่มีชีวิตเป็นนิวเคลียสที่จําเป็นสําหรับสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกไปได้หรือเราไม่สามารถจะเว้นจากสิ่งนี้ได้สําหรับคนธรรมดาเป็นอันว่าทุกคนที่เป็นปุถุชนจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอีโกอิซึมอยู่เป็นประจํา แม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลาก็จริงแต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังหรือนึกอะไรขึ้นในใจฉะนั้นทุกคราวที่มันเกิดเต็มรูปขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูให้ถือว่าเป็นโรคโดยสมบูรณ์แล้วจะโดยอาศัยการเห็นรูปหรือฟังเสียงหรือดมกลิ่นหรือลิ้มรสหรืออะไรก็ตาม ถ้าในขณะนั้นเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นโรคโดยสมบูรณ์คือมันเกิดความรู้สึกที่เห็นแกนตัวจัดขึ้นมาตอนนี้เราไม่เรียกว่าอีโกอิซึมแล้วแต่เราจะไปเรียกว่าเซลฟิสเนสคือความเห็นแกนตัวหรืออะไรทำนองนั้นคือมันเป็นอีโกอิซึมที่เดือดพล่านและน้อมไปในทางต่ำหรือผิดหรือข้างเห็นแกนตัวจนไม่ดูหน้าใคร คือไม่เห็นแก่ผู้อื่นฉะนั้นมันจึงทำอะไรที่เป็นไปข้างเห็นแก่ตัวหมดเป็นความโลภความโกรธความหลงที่ปราบรบตัวเองหมดนี่คืออาการของโรคแสดงออกมาเป็นเซลฟิสเนสแล้วมันก็ทำอันตรายผู้อื่นและรวมทั้งตัวเองด้วยคือเป็นอันตรายแก่โลกมากที่สุดที่โลกเรากำลังลำบากยุ่งยากอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไร นอกไปจากเพราะสิ่งที่เรียกว่าเซลฟิสเนสคือความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนที่คุมกันเป็นพวกๆอยู่ในโลกในเวลานี้การที่ต้องรบกันอย่างที่ไม่อยากจะรบก็จำต้องรบกันนี้มันก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไม่ได้หรือทนต่ออำนาจของสิ่งนี้ไม่ได้มันจึงเกิดเป็นโรคขึ้นมาโรคเห็นแก่ตัวนี้มันตั้งขึ้นได้ คือมันรับเชื้อเข้ามาแล้วก่อเป็นโรคขึ้นมาได้ก็เพราะว่าทุกคนไม่รู้จักสิ่งซึ่งเป็นเครื่องต้านโรคกล่าวคือหัวใจของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้อัตมาได้กล่าวคาว่าหัวใจของพุทธศาสนาขอให้เข้าใจคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาต่อไปเมื่อถามกันขึ้นว่า อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอาจเห็นมีชิงกันตอบจนปากสลอนไปหมดคือใครๆก็ตอบได้แต่มันอาจจะถูกหรือผิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งและที่เขาตอบนั้นมันตอบตามที่ไปจํำๆเข้ามาหรือว่าเขามองเห็นด้วยสติปัญญาของเขาเองว่ามันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆขอให้ลองสังเกตดูในส่วนนี้เถอะว่ามันเป็นกันอยู่อย่างไรในบทนี้ ใครรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆและเข้าถึงจริงๆบ้างเมื่อถามกันว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคงจะมีคนตอบว่าอริยสัจสีประการบ้างหรือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างหรือบางคนก็อ้างหลักว่าสัปปาปัสสะอาัการะนังกุศลสุปัปสัมปทาส จ, จิตตาปริโยธปะนัง เ่ตังพุทธานักศาสนงไม่ทําชั่วทั้งปวงทําความดีให้เต็มทําจิตให้บริสุทธิ์นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ได้ก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกน้อยที่สุดและ ว, ว่าเอาเองด้วยแล้วก็ยังเป็นเรื่องว่า ต, ตามๆกันไปด้วยไม่ได้เห็นเองไม่ได้เห็นจริงด้วยตนเองสิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้น อาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆที่มีกล่าวอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเรื่องมันมีอยู่ในพระบาลีมัชฌิมนิกายว่าคราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านว่าได้พระองค์ตรัสว่า สัพเพธมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธมาแปลว่าสิ่งทั้งปวงนาลังแปลว่าไม่ควรอภินิเวสายะเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมด ในพระพุทธศาสนาถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาท่านรับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพุทธศาสนานี่ลองคิดดูเองว่ามันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรื อ, อยังเพราะมันเป็นทั้งเรื่องวิชาเป็นทั้งเรื่องปฏิบตัติและเป็นทั้งเรื่องผลของการปฏิบัติ มันสมบูรณ์ถึงอย่างนี้คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้ผลมาเป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นจิตที่ว่างที่สุดจึงถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้ถ้าใครเข้าถึงความจริงข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ก็แปลว่ามันไม่มีเชื้อที่จะเกิดเป็นโรคโลภโกรธหลงหรือเป็นการกระทําผิดอย่างอื่นทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตและเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะธรรมรมประดังกันเข้ามาเชื้อต่อต้านภายในที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะเป็นเชื้อต้านทานโรคอย่างยิ่งมันไม่รับเชื้อโรคหรือว่าทรับ มันก็รับเข้ามาทําลายหมดไปมันไม่ก่อเชื้อลูกลามเป็นโรคขึ้นมาได้เพราะมันมีสิ่งต้านทานคอยทําลายอยู่เรื่อยเป็นอำนาจต้านทานโรคเป็นอิมมูเนชันภูมิคุ้งกันโรคอย่างสูงสุดอยู่เรื่อยนี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาคือหัวใจของธรรมะทั้งหมดที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่กวรยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นบาลีว่า สัเพธมานาลังอภินิเวสายะบุคคลชนิดที่รู้หัวใจของพุทธศาสนานี้ยอมเป็นบุคคลที่เหมือนกับมีเชื้อต้านทานโรคหรือเชื้อทําลายโรคอยู่ในตัวเขาเขาจึงเป็นโรคทางวิญญาณไม่ได้แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้หัวใจของพุทธศาสนานั้นก็ต้องเป็นตรงกันข้าม คือเป็นเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีอำนาจต้านทานโรคหรืออิมมู i t ตี้ในตัวเสียเลยแม้แต่นิดเดียวจึงลุกลามเป็นโรคทางวิญญาณนี้โดยเร็วและเป็นอยู่ประจำเมื่อพูดมาถึงเท่านี้ก็คงจะเข้าใจได้แล้วว่าคำว่าโรคทางวิญญาณหรือแพทย์ผู้รักษาโรคทางวิญญาณนี้หมายความว่าอย่างไรและได้แก่ใคร ต่อเมื่อเราเห็นว่าได้แก่พวกเราเมื่อนั้นเราก็จะกระตือรือร้อนกันอย่างยิ่งและถูกทางด้วยที่จะรักษาโรคของเราก่อนหน้านี้เราไม่รู้เราก็สนุกสนานกันไปตามเรื่องเหมือนกับคนที่เป็นโรคร้ายเช่นโรคมะเรง็งโรควันโรคหรืออะไรก็ตามเขามีรู้เขาก็หลงไหลเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามเราไม่คิดจัด ก, การเยียวยารักษาโรคจนกระทั่งสายเกินไป เราจะต้องตายเพราะเหตุนั้นเราจะไม่เป็นคนประมาทถึงขนาดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าประมาทให้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าประมาทจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องเหลือบตาดูเสี้ยบ้างว่าเป็นโรคทางวิญญาณกันอย่างไรหรือพยายามสอบสวน ให้รู้จักเชื้อโรคหรือตัวโรคทางมาของโรคในทางวิญญาณยังถูกต้องอยู่เสมอเสมอแล้วก็จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันในชาตินี้เป็นแน่นอนเราจะต้องดูกันให้ละเอียดต่อไปอีกถึงข้อที่ความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นตัวโรค หรือว่าเป็นเชื้อโรคแล้วก็ลุกลามเป็นโรคได้อย่างไรถ้าท่านสังเกตสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ด้วยการทุกคนว่าความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูก็ตามเป็นของกูก็ตามนี่แหละคือแม่บทของกิเลส ท, ทั้งปวงกิเลสนั้นเราจะแจกเป็นโลภะโทสะโมหะก็ได้ราคะโกธะโมหะก็ได้ หรือจะซอยลงไปให้ละเอียดเป็นสิหอย่างเป็นกี่อย่างก็ได้ผลสุดท้ายมันก็รวมเป็นโลภโกรธหลงแต่ว่าทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งสามอย่างนั้นรวมแล้วอย่างเดียวก็ได้คือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่เป็นศูนย์กลางหรือนิวเคลียสอยู่ภายในนั้นมันคลอดออกมาเป็นโลภ เป็นโกรธเป็นหลงออกมาเป็นโลกคืออยากได้หรือกำหนัดรักใครคือออกมาดึงดูดหรือรับเอาอารมณ์ที่มากระทบถ้าในขณะอื่นมันออกมาในรูปที่ผลักดันผลักใสาอารมณ์ออกไปมันก็เป็นเรื่องของความโกรธหรือโทสะแต่ในบางคราวมันก็โง่อยู่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรดี ได้แต่วนเวียนอยู่รอบๆคือว่าไม่ดึงดูดหรือไม่ผลักออกมันก็เป็นโมหะที่กล่าวอย่างนี้ก็กล่าวเพื่อให้สังเกตง่ายราคะหรือโลภะนั้นคือดูดเอาอารมณ์เข้ามามีการดึงดูดเข้าหากันที่เป็นโกทะคือโกรธหรือโทสะนั้นคือผลักออกจากกัน ที่เป็นโมหะความหลงนั้นมันวนเวียนอยู่โดยไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรดีคล้ายกับเวียนอยู่รอบๆจะผลักออกก็ไม่กล้าจะดึงเข้าหาก็ยังไม่กล้าอาการของความรู้สึกที่เป็นกิเลสนี้จะมีอยู่สามประเภทที่มันจะมีต่ออารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันแล้วแต่อารมณ์นั้นมันมาในรูปไหนคือมาในรูปเปิดเผยหรือเร้นลับ มาในรูปที่ยั่วให้เข้าหาหรือยั่วให้ผลักออกหรือว่ามันไม่อาจเข้าใจได้มันงงง ง, งอยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ว่าแม้จะแตกต่างกันทั้งสามอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสเพราะมันมีมูลมาจากตัวกูของกูที่รู้สึกอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าความรู้สึกว่าตัวกูของกู ที่เป็นแม่บทของกิเลสทั้งปวงนี้เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงคือเป็นมูลเหตุของโรคทั้งปวงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงความทุกข์ไม่ค่อยจะสังเกตการให้ดีๆเลยเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เป็นต้นนั้นเป็นอาการที่แจกออกไปเป็นลักษณะของอาการ แต่ท่านได้ตรัสสรุปท้ายไว้ว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปล ว, ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเ็นจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นคืออุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ข้อนี้หมายความว่าสิ่งใดมีความยึดถือหรือถูกยึดถือก็ตามว่าตัวกูว่าของกูแล้วสิ่งนั้นคือตัวทุกข์ ในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแล้วสิ่งนั้นไม่มีทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรก็ตามถ้าไม่ถูกยึดมั่นในฐานะเป็นตัวกูของกูแล้วมันหาทุกข์ไปได้ไห่ความเกิดแก่เจ็บตายที่ถูกยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเท่านั้นที่จะเป็นความทุกข์ร่างกายและจิตใจนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเป็นร่างกายและจิตใจแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์กันไปหมดไม่ใช่มันต้องต่อเมื่อในนั้นมีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูต่างหากมันจึงจะเป็นทุกข์ส่วนในร่างกายจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เจืออยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้ไม่ทุกข์เลยเช่นร่างกายและจิตใจของผู้ที่เราถือกันว่าเป็นพระอระหันต์เป็นร่างกายและจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เจออยู่ด้วยกิเลสคือตัวกูของกูจึงไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เราจะต้องรู้ว่าตัวกูของกูนี้เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีลักษณะไปในทางมืดเป็นอวิชชาไม่ใช่เป็นแสงสว่าง และมันไม่ว่างมันกลัดกลุ่มเดือดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูทีนี้สิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือจิตใจที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูคือเป็นจิตว่างไม่เดือดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างที่ว่านั้นจิตอย่างนี้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเราจะต้องจับข้อเท็จจริงข้อนี้ให้ได้ว่า มันมีของอยู่สองอย่างคือความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั้นอย่างหนึ่งและสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างตรงกันข้ามถ้าสิ่งหนึ่งเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องกระเด็นออกไปถ้าสิ่งหนึ่งมีอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งอยู่ไม่ได้ถ้าความรู้สึกที่ว่าตัวกูของกูเต็มปรีอยู่แล้วแล้วก็ สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานี้เข้ามาไม่ได้ถ้าสติปัญญามีอยู่แล้วตัวกูของกูก็หายไปวางจากตัวกูของกูหรือวางจากตัวกูของกูนั่นแหละคือสติปัญญาถ้าจะกล่าวอย่างฉลาดฉลาดคือกล่าวอย่างรวบรัดแต่ค่อนข้างจะน่ากลัวนี้ก็กล่าวอย่างพวกนิกายเซนหรืออย่างฮวงโปลกล่าวว่า ความว่างนั้นคือธรรมะความว่างนั้นคือพุทธะความว่างนั้นคือจิตเดิมแท้หรือจิตตัวแท้นี้ฝ่ายหนึ่งส่วนฝ่ายไม่ว่างความไม่ว่างหรือความวุ่นนั้นคือไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่พุทธะไม่ใช่จิตเดิมแท้แต่เป็นความคิดปรุงแต่งใหม่เกิดเป็นของสองอย่าง ตรงกันข้ามกันขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเรารู้จักของสองอย่างนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้ง่ายที่สุดอย่างท่านที่นั่งฟังที่นี่เดี๋ยวนี้กําลังว่างอยู่กําลังไม่มีความคิดปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูกําลังฟังอยู่และกําลังมีสติปัญญาอยู่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าว่าบางคราวหรือโอกาสอื่นเมื่อมันมีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึกว่าตัวกูกของกูขึ้นมาแล้วความว่างในใจอย่างที่ท่านมีอย่างที่นี่จะหายไปทันทีเพราะฉะนั้นย่อมหมายความว่าสติปัญญาได้หายไปทันทีตรงนี้ขอแทรกนิดหน่อยว่าสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานี้เราหมายถึงสติปัญญาที่แท้จริง เพราะยังมีสติปัญญาไม่ใช่ทิฏฐาจริงคือสติปัญญาที่ไม่เกี่ยวกันกับความว่างจากตัวกูนั่นเองสติปัญญาเฉลียวฉลาดในทำนองนั้นภาษาบาลีเขาไม่เรียกว่าสติปัญญามีคำอีกคำหนึ่งในภาษาบาลีสำหรับเรียกสติปัญญาชนิดนั้นว่าเฉโกเฉโกก็แปลว่าปัญญาเหมือนกัน ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าปัญญาแต่มันไม่ใช่สติปัญญาอย่างที่ว่างจากตัวกูมันกลับเป็นสติปัญญาที่เต็มอัดอยู่ด้วยตัวกูของกูคือสติปัญญาโง่ที่จะไปเอาไปเป็นไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองสติปัญญาอย่างนี้ต้องได้รับการยกเว้นไม่รวมอยู่ในคำว่าสติปัญญาที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อความยึดถือว่าตัวตน เป็นอิโคอิซึมเพราะว่าเฉโกอย่างนั้นมันเป็นตัวตนเป็นอิโคอิซึมเสเองอย่าเอามาปนกันถ้าเอามาปนกันแล้วจะยุ่งถ้าเรามีความว่างจากความยึดถือว่าตัว ต, วตนไม่เป็นอีโกอิซึมไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วสติปัญญาแท้ที่จะดับทุกข์ได้ที่เป็นยาแก้ไขโรคทางวิญญาณอยู่ในตัวนั้นก็มีอยู่ เพราะฉะนั้นในขณะนั้นโรคเกิดไม่ได้หรือโรคที่เกิดอยู่ก่อนก็หายไปทันทีเหมือนเปลี่ยทิ้งในขณะนั้นจึงมีธรรมะเต็มไปหมดสมกับที่กล่าวว่าความว่างนั้นคือสติปัญญาความว่างคือธรรมะความว่างคือพุทธะ เพราะว่าในขณะที่จิตว่างจากตัวกูของกูในขณะนั้นจะมีธรรมะทุกอย่างทุกประการหมดทั้งพระไตรปิฎกที่เราควรปรารถนาเอากันอย่างง่ายๆว่าในขณะนั้นจะมีสติสัมปชัญญะที่สุดมีฮิริโอตตะมีความละอายบาปกลัวบาปที่สุดมีขันติโสรัจาความอดกลัานอดทนที่สุด มีความกระตันยูกะตะเวทีที่สุดมีความสัตว์ซื่อที่สุดเรื่อยไปจนกระทั่งมียทาภูตยานทัศนะที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อตมาแจกลูกไปแต่ต้นว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะอิริโอต ป, ปะขันติโซรจจะกระตันยูกะตะเวทีนี่ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเหมือนกัน เป็นธรรมะที่เป็นที่พึ่งแก่โลกได้เหมือนกันแม้แต่หิริอตตาปาละอายบาปเกลียบาปกลัวบาปนี้ลองมีสิโลกนี้ก็สงบเป็นสันติภาพทาวรเดี๋ยวนี้มีแต่คนหน้าด้านไม่รู้จักกลัวบาปอายบาปแก่ตัวเองจึงทำสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่ได้และยืนกานที่จะทำอยู่เรื่อยทั้งทง ท, งที่เห็นว่านี้มันจะทำความพินาศให้ทั้งโลก ก็ยังยืนกลานที่จะทำอยู่เรื่อยเพราะไม่มีหิริโอตปะโลกนี้จะต้องวินาศลงเพราะไม่มีธรรมะแม้เพียงข้อนี้หรือธรรมะต่ําแคบกว่านั้นอีกคือธรรมะที่ชื่อว่ากระตันยูกระตเวทีอย่างนี้ลองมีธรรมะข้อนี้ข้ อ, ขอเดียวโลกนี้ก็สงบได้เพราะเราต้องยอมรับว่าทุกคนในโลกมีบุญคุณแก่กันและกัน ในฐานะที่ช่วยกันสร้างโลกให้หน่าดูให้งดงามอย่างนี้เช่นคิดค้นวิชาขึ้นมาใส่โลกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนทุกคนในโลกมีบุญคุณต่อกันไม่ต้องพูดถึงคนหรอกแม้แต่สุนัขและแมวก็ยังมีบุญคุณแก่มนุษย์แม้แต่นกกระจอกก็ยังมีบุญคุณแก่มนุษย์ถ้าเรารู้จักบุญคุณของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทําอะไรชนิดที่เป็นการเบียดเบียนกันไม่ได้โดยอํานาจธรรมะ คือความกระตันยูกระตะเวทีเท่านั้นก็ช่วยโลกได้เป็นอันว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะนั้นถ้าเป็นธรรมะจริงแล้วเหมือนกันหมดเป็นอันเดียวกันหมดคือช่วยโลกได้ทั้งนั้นถ้าธรรมะไม่จริงแล้วมันขัดขวางกันไปหมดมันจะดูมากมายโรครุงรังไปหมดฉะนั้นเมื่อมีธรรมะจริง คือมีว่างจากตัวกูของกูแล้วก็มีธรรมะหมดมีพุทธะหมดมีอะไรหมดอยู่ในนั้นเองมีจิตดวงเดียวนั่นเองซึ่งเป็นจิตแทหรือจิตที่เป็นสภาพเดิมแทถ้าตรงกันข้ามคือว่าจิตกําลังปรุงอยู่ด้วยตัวกูของกูเดือดพล่านอยู่ในใจแล้วธรรมะก็ไม่มีขณะนั้นมันไม่มีสติสัมปชัญญะมีสภาพพลุนพลัน ไม่คิดไม่นึกไม่ยับยัง้งชั่งใจมีอาหิริมีอะโนตัปปะไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเป็นคนด้านต่อความชั่วที่สุดและเป็นคนอากตัอยูที่สุดตลอดถึงเป็นคนที่ทำทุกสิ่งที่เป็นการทำลายโลกก็ได้มันมืดมัวถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะมียานัศนะเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรทานองนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ เนี่ยแหละเราต้องรู้จักของสองอย่างนี้ซะก่อนคือว่าวางจากตัวกูกับไม่วางจากตัวกูวางจากตัวกูนี้ก็เรียกว่าวางและไม่วางจากตัวกูเราเรียกว่าวุ่นเพื่อประหยัดเวลาในการออกเสียงก็มีวางกับวุ่น ที่นี้อาจรู้สึกด้วยสามัญสำนึกทันทีขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วว่าทุกคนไม่มีใครชอบวุ่นถ้าถามว่าใครชอบวุ่นลองยกมือขึ้นแต่ใครยกมือมาแล้วคงจะขำพิลึกเพราะว่าทุกคนนี้ก็ชอบว่างจะว่างชนิดไหนก็ล้วนแต่ชอบทั้งนั้นว่างขี้เกียจไม่ต้องทํางานนี้ก็ยังมีคนชอบว่างจะไม่มีอะไรมากวน ไม่มีลูกมีหลานมีเหนมากวนอย่างนี้ใครใครก็ชอบแต่ว่าว่างอย่างนั้นเป็นเรื่องข้างนอกยังไม่ใช่ว่างจริงว่างข้างในนั้นคือการที่มีใจคอปกติใจคอไม่ระสำาระสายวุ่นวายอย่างนี้เรียกว่าว่างถ้าใครรู้จักก็จะยิ่งชอบถ้าว่างยิ่งขึ้นไปอีกก็ถึงที่สุดคือว่างจากความรู้สึกที่เป็นตัวตน เป็นอิโกอิซึมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นนิพพานว่างอย่างยิ่งนี้เราเรียกว่าว่างที่วุ่นนั้นก็ตรงกันข้ามวุ่นได้ทุกอย่างทุกทางทั้งทางกายทางใจและทางวิญญาณมันวุ่นคือว่าถูกรบกวนไปหมดไม่มีความสงบสุขเลย ในตัวความว่างนั้นคือธรรมะคือพุทธะคือสภาพเดิมแท้ของจิตหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกในตัววุ่นนั้นคือไม่มีธรรมะไม่มีพุทธะแม้แต่จะร้องตะโกนอยู่ว่าพุทธังสารนังคฉามิหรืออะไรมันก็ไม่มีธรรมะไปได้เนี่ยแหละคนที่มีจิตใจวุ่นอยู่ด้วยตัวกูของกู ถึงจะไปรับไตรสรนคมรับศีลทำบุญให้ทานอะไรมันก็ไม่มีพุทธธรรมะสังฆะที่แท้จริงขึ้นมาได้มันเป็นเพียงพิธีไปหมดถ้าเป็นพุทธธรรมะสังฆะที่แท้จริงแล้วต้องเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเมื่อได้จิตว่างจากตัวกูของกูแล้วเมื่อนั้นมีพุทธธรรมะสังฆะที่แท้จริงอยู่ในจิตนั้น ถ้ามีอย่างชั่วคราวก็เป็นพุทธธรรมสังฆะชั่วคราวถ้ามีเด็ดขาดไปก็มีพุทธธรรมสังฆะที่แท้จริงละถาวรให้อุตสาหปรับปรุงให้จิตใจว่างจากตัวกูของกูอยู่เรื่อยไปก็แล้วกันแล้วจะมีพุทธธรรมสังฆะในระดับหนึ่งประจําอยู่ในจิตใจทําเรื่อยๆไปจนกว่าจะเต็มที่สมบูรณ์หรือเด็ดขาด นี้เรียกว่าเราได้รับเอาธรรมะที่เป็นยาแก้โรคด้วยเป็นเชื้อต้านทานโรคด้วยพร้อมกันไปในตัวเข้าไปใส่ไว้ในจิตใจในวิญญาณก็ได้มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดโรคทางวิญญาณ นี้เราควรจะได้พูดถึงกันส่วนที่เป็นการรักษาเยียวยานั้นให้ชัดเจนลงไปสักเล็กน้อยการที่จะป้องกันหรือรักษาเยียวยาโรคนี้ก็ต้องมีหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วคือว่าต้องไม่ให้ตัวกูของกูเข้ามาเกี่ยวข้องที่นี้มันจะโดยวิธีใดบ้างมันก็มีอยู่หลายวิธีเหมือนกันเพราะว่าแม้แต่รักษาโรคทางกายนี้หรือทางจิตทางเมนเทลก็ตาม ซึ่งในโรคเดียวกันนั้นก็ยังมีวิธีรักษาได้หลายแบบไม่ใช่มันจะแบบเดียวตายตัวแต่ความมุ่งหมายหรือผลของมันนั้นก็มีเป็นอย่างเดียวถ้าว่าเราจะรักษาโรคทางวิญญาแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัินี้ไวมากมายหลายอย่างเหมือนกันเพื่อให้เหมาะสมแก่บุคคลแก่เวลาแก่สถานที่ตามโอกาส เราจึงได้ยินได้ฟังธรรมมา ก, ม า, กมายหลายชื่อบางทีฟังแล้วน่าตกใจว่าตั้ง8ปด0มี่พันพระธรรมคันถ้าแปดหมนสี่พันเรื่องแล้วท่านทั้งหลายจะรู้สึกท้อถอยถ้าขืนเอาให้ได้ก็ตายเปล่าคือมันไม่อาจจะได้มันก็เรียนแล้วลืมลืมแล้วเรียนเรียนแล้วลืมอยู่นั่นหรือว่าสับสนกันหมดแต่ว่าท่แท้จริงแล้วมันมีเพียงกรรมมือเดียว เืองเดียวอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าท่านสรุปลงไปในคําคําเดียวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรก็ไปยึดมั่นถือมั่นได้ยินข้อนี้ก็คือได้ยินทั้งหมดปฏิบัติข้อนี้ก็คือปฏิบัติทั้งหมดได้ผลข้อนี้ก็คือหายจากโรคทั้งหมด ที่ว่ามีวิธีหลายแบบในการขจัดโรคตัวกูของกูนี้ความจริงล้วนแต่สามารถขจัดตัวกูของกูนี้ออกไปทั้งนั้นเหมือนกันทุกแบบแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติโดยวิธีอะไรบ้างคือมีหลายอย่างเช่นประการที่หนึ่งวิธีทำการพิจารณาอยู่เสมอให้เห็นว่าตัวกูของกูนี้เป็นเพียงมายาตัวมายาคือสิ่งที่ไม่มีตัวจริง เป็นภาพลวงตา l u ล i o n Hallucination หรืออะไรทํานองนี้เรียกว่ามายาจะให้เห็นว่าที่เรารู้สึกว่ามีตัวตนมีก้อนมีชิ้นมีดุนว่าตัวกูของกูนั้นที่แท้มันเป็นเพียงมายาตามวิถีทางของอาการที่เรียกกันว่าปฏิจจสมุป บ, บาทเรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทนี้ ถ้าจะกล่าวทางทฤษฎีหรือทางหลักวิชามันยืดยาวใช้เวลาเรียนถึงเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้สำหรับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวเพราะในทางทฤษฎีหรือหลักวิชานั้นมันขยายปัญารูปของจิตวิทยาหรือปรัชญาเรื่อยไปจนกระทั่งเป็นน้ำท่วมทุ่งเพอเจอรอไปเลยแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายภาคปฏิบัติแท้นั้น มันก็มีเพียงหยิบมือเดียวหรือการมือเดียวเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านว่าคือว่าเมื่อสัมผัสกันเข้ากับรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสอะไรก็ตามทางตาทางหูทางใดทางหนึ่งเมื่อมีการกระทบแล้วก็เรียกว่าสัมผัสบาลีว่าพัสสะพัสสะนี้ปรุงให้เป็นเวทนาเวทนานี้ปรุงเป็นตันหา ตัณหานี้ปรุงเป็นอุปาทานอุปาทานปรุงเป็นภพภพปรุงเป็นชาติคือความเกิดต่อจากชาติก็คือแก่เจ็บตายคือตัวทุกข์ให้ดูที่ว่าพอมากระทบอารมณ์ก็เป็นผัสสะแล้วมันปรุงเป็นเวทนาหรือที่ปรุงต่อต่อกันไปนั้นก็เรียกว่าอาการของปฏิจจสมุปบาท คืออาการของการที่สิ่งต่างๆมันอาศัยสิ่งหนึ่งแล้วปรุงสิ่งหนึ่งขึ้นแล้วอาศัยสิ่งนั้นปรุงอีกสิ่งหนึ่งขึ้นอาศัยสิ่งนั้นแล้วปรุงอีกสิ่งหนึ่งขึ้นอาการอย่างนี้หรือภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีตัวจริงที่ไหนเพียงแต่พึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น เอาอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นนี้เป็นตัวปฏิจจสมุปบาทวิธีที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าอย่าให้มันอาศัยกันเกิดขึ้นได้ให้ตัดตอนมันเสียคือว่าเมื่อผัสสะกระทบทางตาเป็นต้นแล้วให้มันขาดตอนลงไปอย่าให้ปรุงเป็นเวทนาอย่าให้รู้สึกเป็นพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมานี้เรียกว่า ไม่ปรุงเวทนาเมื่อไม่ปรุงเวทนาแล้วก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นตัวกูหรือของกูมันเป็นตัวกูของกูอยู่ตรงที่เกิดตัณหาอุปาทานนั่นแหละมายาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพอว่ากระทบอารมณ์เป็นผัสสะล้วนๆแล้วหยุดแต่แค่นั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดตัวกูของกูก็ไม่เป็นโรคทางวิญญาณและไม่เป็นทุก อีกทีหนึ่งก็คือว่าคนธรรมดาสามานนี้ที่จะไม่ผัสสะปรุงเป็นเวทนานั้นยากนักเพราะพอกระทบเข้าแล้วก็ต้องเลยไปรู้สึกเป็นพอใจหรือไม่พอใจเสียเสมอไปไม่หยุดอยู่ได้เพียงแค่พัสสะเพราะว่าไม่เคยได้ศึกษาอบรมในทางธรรมแต่ก็ยังมีทางเอาตัวรอดอีกตอนหนึ่งคือตอนที่ว่าปรุงเป็นเวทนาแล้วนี้พอใจหรือไม่พอใจแล้วนี้ ก็ให้หยุดอยู่เพียงนั้นอีกไอเวทนาสักว่าเวทนาแล้วดับไปอย่าให้เลยไปเป็นตันหาความอยากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตามความพอใจหรือตามความไม่พอใจเพราะถ้าพอใจก็อยากได้รักใคร่หลงไหลหึงหวงริษยาอะไรกันเป็นแถวเลยถ้าไม่พอใจแล้วอยากตีให้ตายอยากทำลาย อยากล้างผลาญมันเสียเลยอยากจะฆ่ามันเสียเลยถ้าอยากอย่างนี้แล้วได้ชื่อว่ามันปรุงเป็นตัญหาแล้วเวทนานั้นได้ปรุงเป็นตัญหาเสียแล้วถ้าอย่างนี้แล้วต้องเป็นโรคทางวิญญาณที่เป็นทุกข์ไม่มีใครช่วยได้ต่อให้พระเจ้าทั้งหมดรุมกันช่วยก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าท่านช่วยไม่ได้ ท่านไม่ใช่ผู้บังคับกฎธรรมชาติได้ท่านเป็นเพียงผู้เปิดเผยกฎธรรมชาติให้ไปปฏิบัติกันเอาเองถ้าปฏิบัติผิดมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจึงว่าถ้าเวทนาปรุงเป็นตัญหาแล้วไม่มีใครช่วยได้จึงต้องเป็นทุกข์โดยแน่นอนเพราะมันทาให้เกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นตัญหาแล้ว ทีนี้ในตัวความอยากนั้นในตัวที่เกิดขึ้นเป็นความอยากพลานอยู่ในใจนั้นขอให้มองดูให้ดีๆมองดูแยกส่วนออกไปให้ได้ว่าในนั้นมันมีความรู้สึกที่เป็นตัวผู้อยากคือตัวกูหรือตัวเราที่รู้สึกอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้หรือว่ากระทำลงไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ หรือว่าได้รับผลการกระทาอย่างนั้นอย่างนี้มันมีตัวผู้อยากอยู่นั่นแหละคือตัวกูที่มันอยากมันก็จะได้เอามาเป็นของกูหรือว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของกูเกียรติยศของกูเป็นชัยชนะของกูเป็นความปลอดภัยของกูในนั้นมันมีความรู้สึกว่าของกูอยู่ด้วย ความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี้เรียกว่าอุปาทานเกิดมาจากตันหาตันหาปรุงเป็นอุปาทานถ้าปฏิจจะสมุปบาทได้ส่งทยอยกันมาถึงตันหาอุปาทานแล้วมันก็เป็นมูลเหตุของความทุกข์ได้โดยสมบูรณ์แล้วนี้แปลว่าเดี๋ยวนี้เชโรคฝากตัวเต็มที่แล้ว เชื้อโรคที่รับเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในขณะของภาษะหรือเวทนานั้นเมื่อมาถึงขั้นของตันหาอุปาทานนี้มันฟักตัวเต็มที่ถึงขนาดจะแสดงเป็นอาการของโรคโดยสมบูรณ์แล้วเพราะว่าหลังจากอุปาทานก็มีพบอุปาทานทาให้เกิดพบแปล ว, ว่าความมีความเป็น ความมีความเป็นของอะไรก็ของตัวกูและของกูนั่นเองกรรมมาพบก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดตัวกูและของกูถ้าเรียกว่าพบเฉยๆก็คือภาวะแห่งตัวกูเต็มที่เป็นโรคเต็มที่พบให้เกิดชาติก็หมายความว่าความเต็มที่นั้น มันแสดงออกมาเป็นชาติคือความเกิดทีนี้ตัวกูได้เกิดออกมาแล้วเป็นความทุกข์เป็นความแก่ความตายโศกะปริเทวะทุกขโทมานัทมากมายเหลือที่จะเจราญในอาการแต่รวมเรียกว่าเป็นทุกข์ขณะนี้ก็คืออาการที่เรากำลังเจ็บปวดทุรน ท, ทุรายอยู่ด้วยผลของโรคนี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทได้เป็นมาส่งทยอยกันมาจนถึงกับเกิดโรคหรือเกิดทุกข์ในทางปฏิบัติเราหยุดมันเสียได้ตรงที่ไม่ให้ภาษาปรุงเวทนาหรือถ้าพลาดตรงนั้นก็ให้มาทำตรงที่ไม่ให้เวทนาปรุงเป็นตัณหาหลังจากนี้แล้วช่วยไม่ได้ เราต้องพยายามมีธรรมะ ก, กันให้ได้ตรงที่เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกเด็กกลิ่นเป็นต้นนี้โดยที่เราศึกษาอบรมอยู่เป็นประจำถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแปลว่าคนธรรมดาเขามีแนวว่าถ้าเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาอุปาทานพบชาตินี้เป็นทางที่เดินกันจนเตียนโลงไปหมดเดินง่ายที่สุด แต่เราไม่เอาอย่างนั้นพอมีภาษากระทบแล้วเราก็วกกลับเดินไปในทางของสติปัญญาไม่เดินไปทางตัวกูของกูหรือแม้ว่าจิตเดินไปจนถึงเวทนาแล้วก็ตามยังยักกลับไปทางของสติปัญญาก็ได้ไม่ลอยไปตามกระแสแห่งตัวกูของกูอย่างนี้ไม่มีทุกข์เลยทุกวันทุกคืนจะไม่มีทุกข์เลยและถ้าทำได้เก่ง คือว่าทำไปตามวิธีที่ถูกต้องถึงที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์ได้ในตัวเองถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสก็มีหลักง่ายๆคือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระสาวกชื่อพาหิยะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อใดเธอได้เห็นรูปสักว่าตาเห็น ได้ฟังเสียงสักว่าหูได้ยินได้ดมกลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ชิมได้สัมผัสผิวหนังก็สักแต่ว่าเป็นการกระทบทางผิวหนังจะคิดนึกขึ้นมาในใจก็สักแต่ว่ารู้สึกตามธรรมชาติขึ้นมาในใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีคือตัวกูไม่มี เมื่อตัวเธอไม่มีการวิ่งไปทางโน้นหรือวิ่งมาทางนี้หรือหยุดอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์นั่นแหละคือนิพพานเมื่อใดเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อนั้นเป็นนิพพานถ้าเป็นถาวรก็เป็นนิพพานถาวรถ้าเป็นชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวนี่แปลว่า เป็นหลักเพียงอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นจะปฏิบัติวิธีไหนก็ให้เป็นไปเพื่อเฉยได้หรือหยุดได้ต่ออารมณ์ที่มากระทบทั้งนั้นจะทำวิปัสสนาแบบไหนก็ตามเถอะถ้าถูกต้องหรือไม่หลอกลวงกันแล้วก็จะต้องมาในรูปนี้รูปเดียวกันคือในรูปที่อารมณ์ ให้ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูขึ้นมาได้และอันนี้มันไม่ยากที่จะทำลายกิเลสเพราะเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ทำได้อย่างนี้มันทำลายกิเลสของมันเองมันฆ่ากิเลสอยู่ในตัวมันเองเปรียบง่ายๆเหมือนว่าถ้าเราอยากจะให้ไม่มีหนูมารบกวนเราเอาแมวมาเลี้ยงเรื่องของเราก็เพียงแต่เอาแมวมาเลี้ยงหนูมันก็หมดไปได้ โดยที่เราเองไม่ต้องไปจับหนูแมวมันทำหน้าที่ของมันเองหนูก็ไม่มีได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ไม่มีเพราะเหตุนี้ทีนี้เราทำแค่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ถูกวิธีเท่านั้นตอนที่จะฆ่ากิเลสนั้นมันเป็นการฆ่าของมันเองนี่พูดอย่างสมมุติเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าพวกเธออยู่กันให้ถูกต้องแล้วโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ฟังดูให้ดีๆว่าอยู่กันให้ถูกต้องเท่านั้นไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่าอยู่ให้ถูกต้องแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์คำนี้ไม่ใช่คําเล็กน้อยใจความมันบอกอยู่แล้วและมันไม่เล็กน้อยก็ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้า ท่านสั่งเมื่อใกล้ๆจะแปรินิพานว่าอิเมเจพิกเวพิขุสัมมาวิหะเรยุงอสุนโยโลโกอารหันเตหิอัสัะภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่ด้วยชอบไซจโลกจกไม่ว่างจากพระอรหันสัมมาวิหะเรยุงแปลว่าพึงเป็นอยู่ หรือพึงอยู่โดยชอบอยู่โดยชอบนี้อยู่อย่างไรโลกจึงจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์อยู่โดยชอบก็คืออยู่ในลักษณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้เข้ามาแต่ต้องไม่ได้ คือมากระทบนั้นได้แต่ว่าจะมาปรุงแต่งให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานนั้นไม่ได้เราอยู่ในลักษณะที่ฉลาดอยู่ด้วยสติปัญญาหรือความว่างจากตัวกูอย่างที่กล่าวแล้วเราเราศึกษาเพียงพอปฏิบัติมันจนเคยชินเพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาก็มากระทบแล้วตายเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง เหมือนกับบ้านเรามีแมวหนูมาจากบ้านอื่นหรือมาจากป่าขึ้นมาบนเรือนเนี่ยมันก็ตายหมดเพราะแมวมันคอยฆ่าอยู่เรื่อยถ้าเรามีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องตามหลักของความไม่ยึดมั่นนี้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็ไม่มาทาอันตรายเราได้มากระทบได้มาเกี่ยวข้องได้แต่เราใช้มันด้วยสติปัญญา เราจัดการกับมันด้วยสติตปัญญากินมันก็ได้บริโภคมันก็ได้มีมันก็ได้เก็บมันไว้ก็ได้แต่ไม่มีผลเป็นทุกข์เพราะมันมีค่าเท่ากับไม่มีไม่เป็นไม่ใช้ไม่กินไม่เก็บเพราะไม่มีตัวเราไม่มีของเราในทางที่ตรงกันข้ามนั้นมันเปนมีตัวเรามีของเราหมดเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่ทันกินไม่ทันเก็บมันก็ทุกข์แล้วกินอยู่เก็บอยู่มันก็ทุกข์อีกมันเป็นทุกข์ไปหมดเพราะเหตุนี้นั่นเรียกว่าไม่อยู่โดยชอบไม่ได้เป็นอยู่โดยชอบก็กลุ่มไปด้วยโรคหรือความทุกข์ถ้าเป็นอยู่โดยชอบมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดโรคหรือเกิดความทุกข์ได้ คำเป็นอยู่ชอบนี้อธิบายได้ต่อไปถึงกับว่าเป็นอยู่อย่างนั้นกิเลสไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงกิเลสผอมตายเองเปรียบเหมือนว่าเสือดุร้ายนี้เราล้อมคอกมันไว้ได้แล้วเราก็ล้อมมันมันก็ไม่ได้กินอาหารเพราะในคอกนั้นมันไม่มีอาหารเราไม่ต้องฆ่ามันมันก็ตายเองเพราะฉะนั้น เราล้อมไว้ให้ถูกวิธีตรงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธ, ธรรมารมที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรอบตัวเราล้อมตรงนี้คือปฏิบัติถูกต่อสิ่งเหล่านี้ที่ตรงนี้กิเลสไม่มีทางได้กินอาหารก็ไม่อาจเกิดไม่อาจเจริญงอกงามเชื้อของกิเลสจึงหมดไปมันก็เลยไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสหรือทาให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอยู่ให้ชอบอยู่ให้ถูกวิธีเท่านั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอระหันต์นี้เรียกว่าปฏิบัติตามหลักของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นอยู่ถูกต้องชนิดที่เกิดกิเลสไม่ได้โดยที่เห็นว่าตัวกูของกูนี้เป็นเพียงมายาเพราะมันเพิ่งเกิดมาเมื่อมีรูปมากระทบตาหูเป็นต้นเกิดเวทนาและปรุงเป็นความอยาก อย่าให้มีอะไรมาปรุงเป็นความอยากมันก็ไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูพึงเข้าใจให้ถูกต้องว่ากิเลสมันเพิ่งเกิดหยกยกเพราะการปรุงขึ้นมาไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นมายาเหมือนกับหน่วยคลื่นที่เกิดขึ้นเพราะลมพัดน้ำน้ำก็มีอยู่จริงลมก็มีอยู่จริงแต่ตัวคลื่นนั้นเป็นมายา นี่เปรียบเทียบโดยวัตถุแต่จะเอาเป็นเรื่องเดียวกันแท้ไม่ได้มุ่งหมายแต่จะชี้ตรงความเป็นมายาของคลื่นที่เกิดขึ้นมาเพราะการปรุงแต่งคือลมพัดน้ำให้กระชอกเป็นลูกคลื่นยกเป็นสารลูกคลื่นขึ้นมาแล้วก็หายไปความรู้สึกว่าตัวกูของกูคราวหนึ่งคราวหนึ่งในวันหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ลหลายคราวนั้น ก็เป็นเหมือนคลื่นที่มีมาจากน้ำคืออารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็กระทบด้วยลมคือความโง่ความหลงอวิชชาแล้วเกิดเป็นคลื่นคือตัวกูของกูโผล่ขึ้นมาเป็นคราวๆ ว, วันหนึ่งหลายคราวความรู้สึกว่าตัวกูของกูหรืออิโกอิซึม ที่โผล่ขึ้นมาคราวหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าชาติหนึ่งชาติคือความเกิดทีหนึ่งนี่แหละความเกิดที่แท้จริงหมายถึงความเกิดของสิ่งนี้คือตัวกูของกูเอย่ได้ไปหมายถึงความเกิดจากท้องแม่คนหนึ่งเกิดจากท้องแม่ทีหนึ่งแล้วก็เข้าลงไปทีหนึ่งนั่นไม่ใช่ความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมาย มันเป็นความเกิดทางฟิสิกส์เข้มากไปความเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านมุ่งหมายนั้นเป็นฝ่ายสปเชีลชวลหมายถึงการเกิดที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูของกูวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติหรือหลายร้อยชาติก็ตามแล้วแต่ว่าใครจะเกิดเก่งส ก, กี่มากน้อยแต่ทุกคราวจะต้องเป็นชาติเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทีหนึ่งเสมอไปแล้วมันก็ค่อยจางไป เดี๋ยวมันก็ค่อยดับลงแล้วก็ตายไปเดี๋ยวก็เกิดโผล่มาใหม่อีกเมื่อไปกระทบรูปเสียงหรือกลิ่นอย่างอื่นขึ้นมาอีกและแต่ละชาติก็มีปฏิกิริยาเป็นรีแอคชั่นส่งต่อถึงกันอย่างที่เราเรียกว่ากรรมเก่าของชาติก่อนมาส่งผลให้เกิดในชาตินี้เป็นอย่างนี้เป็นผลขึ้นมาแล้วส่งต่อกันไปอย่างนี้ทุกๆชาติ คำว่าผลกรรมหรือการรับผลกรรมก็มุ่งหมายอย่างนี้และจะถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนถ้าไม่อย่างนั้นจะออกนอกเรื่องนอกราวไปเราต้องเข้าใจเรื่องเกิดเรื่องกรรมผลกรรมและการรับผลกรรมอย่างนี้อย่างว่าเกิดเป็นผู้อยากได้ของรักอย่างใดขึ้นมาแล้วตายไปแล้วเกิดเป็นผู้ไปขโมย หรือว่าไปทำโจรกรรมเข้าจริงๆแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นผู้บริโภคสิ่งนั้นเข้าไปหรือว่าไม่ได้บริโภคสิ่งนั้นเข้าไปเดี๋ยวไปเกิดเป็นจําเลยถูกกล่าวหาแล้วเดี๋ยวไปเกิดเป็นนักโทษอยู่ในตารางแล้วความเกิดอย่างนี้มีได้มากละสับสนกันอย่างยิ่งหลายสายหลายแนวพร้อมคลุกเคล้ากันไปดูมันให้ดีๆจะเข้าใจ ถ้าทำการหยุดความเกิดเสียได้เมื่อไรเมื่อนั้นเป็นนิพพานซึ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายัางมีเกิดเป็นต้องรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่เรื่อยก็เป็นวัฏฏะสงสารไปเรื่อยคือทุกข์เรื่อยเป็นลูกโซ่ไปเลยเราอย่าไปเข้าใจผิดตรงที่ว่าไม่เกิดไม่เกิดนี้ มันหมายถึงว่างจนขนาดว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเป็นนั่งตัวแข็งเป็นท้นไม้เนี่ยไม่ใช่มันกลับว่องไวคือแอคทีฟมากที่สุดที่ว่างจากตัวกูหรือว่างจากการเกิดมากที่สุดนั้นกลับเป็นสติปัญญามากที่สุดทาอะไรได้คล่องแคล่าที่สุดเพราะมันไม่อาจทำผิดคิดผิดพูดผิดมันจึงทำได้โดยเร็ว ที่ว่ามันไม่มีทางที่จะผิดได้ก็เพราะมันเป็นสติปัญญาอยู่โดยธรรมชาติในตัวธรรมชาติเป็นอัตโนมัติสิ่งที่เรียกว่าความว่างจากตัวกูมันเป็นอย่างนี้เองเราที่ ว, ว่างจากตัวกูหรือผู้ที่ว่างจากตัวกูหรือผู้ที่เป็นนิพพานอยู่นี้ทำอะไรได้หมดแต่แล้วไม่ทำอะไรผิดเลยเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งรวดเร็วอย่างยิ่ง มากมายอย่างยิ่งดีอย่างนี้อย่าได้ไปเข้าใจว่าถ้าเกิดความรู้สึกว่างอย่างนี้แล้วมันทำอะไรไม่ได้หยุดทำอะไรไปหมดเหนื่อไปหมดเหนื่อยไปหมดหรือมันอยู่เฉยไปเลยอย่างนั้นว่าเอาเองเพราะความโง่ของตัวเองก็เลยทำให้กลัวกลัวความว่างกลัวนิพพานหรือกลัวจะหมดกิเลสตัณหาแลวจะไม่สนุกอย่างนี้เป็นต้น ความมดกิเลสตัณหายิ่งสนุกอย่างยิ่งยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเป็นความสุขหรือความสนุกที่แท้จริงคือจะไม่เป็นอันตรายไม่หลอกลวงไม่เป็นมายาในความสุขสนุกของคนปุถุชนนั้นมันไม่จริงมันหลอกลวงมันเป็นมายาแล้วมันใส่ความทุกข์ให้แก่ผู้นั้นเหมือนกับเหยื่อที่ใครกินเข้าไปแล้วมันติดเบ็ด นี้เรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจพยามารมันก็วุ่นกันอยู่ตลอดเวลามันก็จมอยู่ในวัตตาสงสารคือห่วงโซ่ของความทุกข์หรือว่าทะเลวนของความทุกข์ขึ้นมาไม่ได้นี้เรียกว่าเราอาศัยการดับตัวกูเสียได้ด้วยมองเห็นตัวกูของกูนี้ว่าเป็นมายาโดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักของปฏิจจสมุป บ, บาทนับว่าเป็นอย่างหนึ่งแนวหนึ่ง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 เช่นว่ามองที่อารมณ์คือมองลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมบกประการที่มันจะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าแม้แต่อารมณ์นี้มันก็เป็นมายาโดยอาศัยความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาเราอย่าทำเล่นกับเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาเมันไม่ใช่เรื่องสำหรับคนแก่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 ยังมีความกเกษมบาลีใช้คำว่าเขมะเกษมนี่เป็นภาษาสันสกฤตคือกัสมาแล้วมาเป็นไทยว่ากเกษมเราจะเป็นอยู่อย่างกเกษมน่าแปลกเหมือนกันที่ท่านไม่ใช้คำว่าเป็นสุขเพราะคำว่าสุขนี้มันออกจะเป็นมายาหรือหลอกลวงอยู่รูปหนึ่งเหมือนกัน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 เห็นได้ด้วยหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาโรคก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดประการที่สเราจะตัดลัดมองไปดูสิ่งที่เป็นสุขเวทนาคือความสุขสนุกสนานอรอร่อย ที่เป็นสุกนั้นเรียกว่าสุขเวทนาตัวสุขเวทนานั้นเป็นมายาเพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆไม่ใช่ตัวจริงอะไรที่พูดดังนี้ก็เพราะว่าในบรรดาสิ่งทั้งปวงในโลกทั้งหมดทุกโลกไม่ว่าโลกไหนมันมีค่าอยู่ก็ตรงที่ให้เกิดสุขเวทนาคิดดูให้ดีว่าท่านศึกษาเล่าเรียนทาไม ท่านประกอบอาชีพหน้าที่การงานทำไมท่านสะสมทรัพ์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงพวกพ้องบริวารทำไมมันก็เพื่อสุขเวทนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรอะไรมันก็มารวมจุดอยู่ที่สุขเวทนาหมดฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้จัดการกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นทุกเรื่องมันถูกหมด เพราะฉะนั้นจึงต้องดูสุขเวทนาให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันก็เป็นมายาชนิดหนึ่งเราจะต้องจัดการให้สมกันกับที่มันเป็นมายาไม่ใช่ว่าจะต้องไปตั้งข้อรังเกยียจเกลียดชังมันอย่างนั้นมันยิ่งบ้าบอที่สุดถ้าเข้าไปหลงรักหลงเป็นทาตมันก็เป็นเรื่องบ้าบอที่สุดแต่ว่าไปจัดการกับมันอย่างไรให้ถูกต้องนั่นแหละ เป็นธรรมะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่จะเอาชนะความทุกข์ได้และไม่ต้องเป็นโรคทางวิญญาณมันก็ต้องทำโดยวิธีที่พิจารณาให้เห็นว่าสุขเวทนานี้ที่แท้ก็คือมายาเป็นเหมือนลูกคลื่นลูกหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะถูกลมพัดหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามา แล้วความโง่คืออวิชชาโมหะออกรับกระทบกันแล้วเป็นคลื่นกล่าวคือสุขเวทนาขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แตกกระจายไปถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เป็นทาสของสุขเวทนาเราสามารถจะควบคุมจะจัดจะทำกับมันได้ในวิธีที่ไม่เป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ครอบครัวก็ไม่เป็นทุกเพื่อนบ้านก็ไม่เป็นทุก คนทั้งโลกก็ไม่พลอยเป็นทุกข์เพราะมีเราเป็นมูลเหตุถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้โลกนี้ก็มีสันติภาพถาวรคือเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวร น, นี่คืออนิสง์ของการหายโรคโดยวิธีต่างกันแม่เป็นโรคตัวกูแม่เป็นโรคของกู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 สอดส่องอยู่เสมอแล้วมันก็สําเร็จเป็นของที่ไม่ยากแต่ถ้าว่าโง่ในตอนแรกแล้วมันยากอย่างยิ่งคือว่ายากยิ่งกว่ากลิ้งครกขึ้นภูเขาแต่ถ้าคลามถูกเงื่อนถูกปมแล้วแล้วก็มันง่ายยิ่งกว่ากลิ้งครกลงมาจากภูเขาอีกที่หนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่า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 ก็มีอยู่เรียกว่าตัดทางคาวิมุตทีนี้บางคราวเราตั้งอกตั้งใจควบคุมมันก็วางได้มากกว่านั้นอีกผลจากโรคได้มากขึ้นอีกอย่างนี้เรียกว่าวิขำพนาวิมุตเพราะเราคอยคุมมันไว้ถ้าเราจัดการเด็ดขาดเลยถอนรากถอนเงาถอนเชื้อได้หมดเลยอย่างนี้เรียกว่าสมุดเฉดวิมุต หรือสมุทเฉดประหารคือค่าตายเลยไม่เพียงแต่ฟลุกหรือไม่เพียงแต่ข่มขีไว้ชั่วคราวตามธรรมดาเราจึงได้ผลอย่างน้อยก็ได้ผลเป็นแต่ทางคาวิมุตได้กำไรมากอยู่แล้วถ้ามากกว่านั้นก็เป็นวิคังพนาวิมุตและเป็นสมุทเฉดวิมุตซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายไปเลยเราไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความโลภความหลง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 อย่าให้ขาดตกบกพร่องว้าแแวงแต่ประการใดแล้วแก้ไขเยียวยามันไปทุกโรคให้เป็นผู้ไม่มีโรคและชื่อว่าอารรคยักปรมาลาภาทิแทจริงอัตมาคอยุติการบรรยายตามโอกาสนี้เพียงเท่านี้ จบเสียงานแก่นพุทธศาสตร์ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนามาเหตุทิ้งท้ายจากผู้บันทึกเสียงอริยคุณจมรมพลดีสำหรับแนวทางการสอนของท่านพุทธทาสนั้นท่านเน้นการสอนที่แก่นธรรมโดยอธิบายธรรมด้วยสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์เห็นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเรื่องภพชาติผลกรรมนิพพานก็จะชี้ให้เห็นในสภาวะเกิดดับในปัจจุบันเป็นหลักและเน้นแก่นธรรมล้วน ซึ่งค่อนข้างเหมาะกับปัญญาชนและผู้มีการศึกษามีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรจึงอาจจะดูยากไปสําหรับผู้เริ่มศึกษาเพราะประโยคหรือคําสั้นๆหลายจุดก็อาจต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งถึงจะเข้าใจได้ถูกต้องจึงขอให้ฟังด้วยใจสบายหากไม่เข้าใจก็ขอให้ผ่านไปก่อนเมื่อได้ศึกษาพื้นฐานที่ดีพอมันเพียรฟังทำปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเมื่อพร้อมถึงจุดหนึ่งแล้วกลับมาฟังซ้ําท่านจะเข้าใจได้ดีขึ้น หรือเห็นชัดเลยนะครับว่าที่เคยคิดว่าเข้าใจมาก่อนนั้นกลับพึ่งเข้าใจได้ถูกตรงในภายหลังนี่เองสำหรับการศึกษาธรรมนั้นในที่นี้ต้องพึงระวังเช่นเรื่องความเป็นอนัตตาตัวเราไม่มีต้องเข้าใจให้ตรงว่าท่านหมายถึงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงหาใช่เป็นตัวตนซึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีคือศูนย์หรือตายแล้วศูนย์ถ้าศูนย์ในที่นี้คือว่างจะอุปาทาน หมดเชื้อในการสืบต่อกองจิตแล้วคือนิพพานซึ่งก็ให้สังเกตนะครับว่าท่านใช้คําว่านิพพานในปัจจุบันกับนิพพานทาวรซึ่งประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าจิตยังต้องสืบต่อพบชาติไปเกิดใหม่ในอัตภาพใหม่ได้อีกไม่อย่างนั้นจะไม่มีคําว่านิพพานในปัจจุบันกับนิพพานทาวรที่หมายถึงการไม่มีเชื้อสืบต่อเป็นวงจปรปฏิดจะสมุบาทิอีกต่อไปแล้วไม่ว่าพบชาติไหนก็ตาม ก็ถ้าตายแล้วศูนย์ก็คงไม่มีคำว่านิพานในปัจจุบันกับนิพานถาวรจุดนี้ก็ควรใช้พิจารณาด้วยนะครับตัวอย่างการอธิบายตัวตนในขั้นลึกอย่างเช่นเมื่อตัวเราถือว่าไม่มีอยู่จริงเป็นแค่สภาวะปรากฏชั่วคราวเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่มีใครตายไม่มีใครไปเกิดที่ไหนเพราะไม่มีตัวใครตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเกิดใหม่ในพบอื่นเป็นชาติหน้าซึ่งการอธิบายแบบนี้เป็นการอธิบายขั้นปรมัตดคือความจริงสูงสุดในคำว่าไม่ส่งตอบปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่หรือสิ่งนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าหมายถึงไม่ใช่หลักสาคัญที่ทงมุ่งหมายให้ศึกษาศาสนาซึ่งในความเป็นจริง ในหลักของมรคคือทางพ้นทุกนั้นข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิและในสัมมาทิฏฐินั้นก็มีพุทธพจนตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงถือเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเรื่องเกี่ยวกับพบชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของความจริงของธรรมชาติที่ทรงอธิบายเป็นครั้งคราวเมื่อทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเมื่อเจอบุคคลที่เหมาะสมหรือบุคคลที่ยังเข้าใจความจริงขั้นสูงสุดทันทีไม่ได้ อย่างการเทศนาที่เรียกว่าอนุภุพิกถาคือโดยลําดับตั้งแต่ทานศีลสวรรค์โทษของกรรมและการออกจากกรรมหรือมีพุทธพจน์หลายแห่งตรัสเรื่องเหล่านี้ไว้ซึ่งฟังได้จากเซิงอานหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณท่านรวบรวมหลักฐานจากพระไตรปิฎกมายืนยันไว้ครบถ้วนนะครับว่าทรงตรัสถึงเรื่องพวกนี้ไว้หลายแห่งต้องไม่ลืมนะครับว่าแม้แก่นสําคัญอาจจะมีแค่ไม่มาก แต่เรื่องปลีกย่อยก็เป็นส่วนประกอบที่ไม่ต่างกับใบไม้เปลือกไม้ที่ทำให้ต้นไม้สมบูรณ์และรักษาชีวิตของต้นไม้ไว้ได้ปัญหาที่พบน่าจะเป็นการที่เป็นลงผิดคิดว่ากาฝากหรือมแมลงที่มาสร้างรังบนกิ่งไม้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ไปด้วยมากกว่าซึ่งส่วนนี้สำคัญมากเป็นส่วนที่ต้องแยกให้ออกให้ได้ดังนั้นการศึกษาให้มากให้รู้จริงบางทีก็จาเป็นในหลายคนและในหลายกรณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมั่นใจและบางทีก็ส่งเสริมให้บางคนเจริญในธรรมเร็วขึ้นด้วยการที่จะเข้าใจแก่นธรรมได้จริงนั้นบางครั้งก็อาจต้องมีความรู้ประกอบด้านอื่นมากพอระดับหนึ่งด้วยจะเป็นเครื่องช่วยเสริมศรัทธาสร้างกําลังใจในการเร่งความเพียรได้ถูกทางถ้าเข้าใจภพชาติกันจริงจะรู้ว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่สนใจเปลือกกิ่งใบแล้วข้อหาแก่นได้เลยนั้น มีปัญญากล้ามีบารมีพร้อมและเคยศึกษาปฏิบัติลองผิดถูกมามากมายหลายชาติแล้วสมเด็จพระพุทธโคสาจารยุทธประยุทธโตท่านเป็นพระที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แตกชาในธรรมอย่างสูงยากจะหาใครเปรียบเทียบได้ในยุคปัจจุบันก็ให้ดูนะครับว่าท่านก็ยังอธิบายเรื่องภพชาติกรรมสยาศาสตร์และเรื่องอิทธิปาฏิหารไว้เป็นหนังสืออยู่หลายเล่ม เพื่อให้คนได้รู้ให้ตรงได้ศึกษาได้ถูกทางว่ามีจริงแค่ไหนอย่างไรควรเชื่อแค่ไหนเชื่ออย่างไรจรึงจะเป็นประโยชน์อันจะเกิดผลดีต่อผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังฝ่ายในเรื่องนี้และยังไม่สามารถเข้าใจแก่นธรรมหรือเข้าใจได้ถูกต้องลึกซึ้งจริงและการที่จะสนใจแต่แก่นธรรมหรือรู้ใจความสาคัญแล้วทางที่จะไปถึงจุดนี้ได้แต่ละคนแต่ละสายอาจมีแนวทางการสอนที่แตกต่าง ใช้จำนวนการอธิบายที่ไม่เหมือนกันแต่ก็มุ่งไปสู่ผลเดียวกันอย่างของอาจารย์พรที่ท่านก็บวชที่สวนโมกและเป็นสหายธรรมเทศคู่กับหลวงพ่อปัญญาก่อนจะลาสิกขามารักษาตัวและทํางานเผยแพร่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยายลัยทรงอยู่หลายสิบปีท่านก็นเน้นมาถึงจุด น, นี้เช่นกันเพียงแต่ น, นําเรื่องภพชาติโลกหลังความตายซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจและอยากรู้มาเป็นส่วนประกอบในการอธิบายกฎแห่งกรรมและปฏิจจสมุป บ, บาท ให้เข้าใจตามหลักธรรมจะได้ไม่งมงายและสุดท้ายท่านจะมุ่งเน้นให้เข้าใจแก่นธรรมสาคัญตามพุทธพจน์ที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงเมื่อเข้าใจจุดนี้จะเกิดความละอายเกรงกลัวบาปทอนละอัตตาเบื้องต้นในง่ายขึ้นนําไปสู่การละอุปาทานในกายใจนี้ได้เป็นลําดับซึ่งท่านเปรียบการศึกษาธรรมไว้ว่าเหมือนการขึ้นบันไดที่ต้องขึ้นทีละขั้น ยิดขั้นหนึ่งเพื่อละอีกขั้นหนึ่งจะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างมั่นคงในเรื่องของแกนทำขั้นสูงนั้นถ้ามองเป็นขั้นบันไดก็จะเห็นได้ว่าเป็นขั้นสูงสุดที่หากอยู่ดีๆกระโดดก้าวข้ามไปเลยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนเด็กเล็กที่ต้องเรียนอนุบาลไปก่อนก็ต้องฟังการเปรียบเทียบแบบชาดกจะไปเข้าใจสูตรเคมีหรือปรัชญาคาสอนยากๆได้ในทันทีก็คงเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเรื่องชาโดกนี้ท่านพุทธทาสเองท่านก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากและเป็นสิ่งที่สอนคุณธรรมให้คนเข้าใจได้ง่ายการฟังคําสอนของท่านพุทธทาสนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์อะไรและกําลังสอนคนกลุ่มไหนซึ่งเรื่องนี้ทําให้คนที่ศึกษาธรรมของท่านพุทธทาสไม่ครบถ้วนจริงหรือไม่แตกฉานในคําสอนของท่านจริงก็พากันเข้าใจผิดว่าท่านพุทธทาสไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริง กลายเป็นปรามาตหาว่าท่านเป็นมิจฉาทิฐิเกี่ยวกับเรื่องนี้ใคยพูดถึงเวลาครั้งหนึ่งก็ข อ, อนำยกมาไว้ตรงนี้อีกรอบนะครับสำหรับการศึกษาธรรมนั้นต้องเข้าใจให้ตรงกับแต่ละจุดประสงค์และในย่าในการอธิบายของครูบาอาจารย์แต่ละท่านด้วยการอธิบายธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละบริบทอาจอธิบายต่างในย่ากันได้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 ขอทุกท่านร่วมมานูทนาเจ้าภา พ, าพเพิ่มเติมอีกดังนี้กัลยาบมรุงญาติปิยดีปานยัม น, นาพัฒนาสุดติติมาเกิดทองชนิสราเครือชัยจิรวันวอรพิสุทธิวงศยนตทองบุญอัญคนามุนทาทิพกุลครอบครัวงามสุริยพงศครอบครัวคำสุภาปัญญาโกจันร่วงับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะ